สงแห่งกรุงเก่าที่สําเร็จฌานชั้นสูงโสนันโทอดีตเจ้าอาวาส วิหารกิจจานุกาลหรือที่ชาวนับได้ว่าทั่วไปเรียก เรื่องราวอัตชีวประวัติของท่านนั้นมีไม่มากนักพอที่จะสรุปได้ดังนี้พระครูวิหารกิจจานุกาลหรือหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดบางลงโคองค์ที่ 3 ท่านเป็นบุตรของคุณพ่ออาดและคุณแม่อิ่มนามสกุลสุทธาวงค์ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2418 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 14 ค่ํา 8 ที่บ้านตำบลบางหนองโค หลวงพ่อปานท่านมีปานสีแดงที่หลังฝ่ามือซ้ายมาตั้ง กำลังจะสิ้นลมเสียงโยมบิดามารดาและญาติพี่น้องบอกให้อย่านึกถึงพระอรหันต์เมื่อท่านได้ ในสมัยนั้นสมัยนั้นลูกผู้ชายเมื่อถึงอายุ ฉะนั้นจึงดึงดูใจบุรุษเพศให้หลงไหลฝ่ายฝันยิ่ง ในระหว่างนั้นระหว่างชื่อเขียวแต่อายุมากกว่าท่านบ้านของท่านและพี่เขียวก็อยู่ในครัวหญิงพร้อมทั้งกล่าวว่า ขออภัยให้ฉันถือพี่เขียวฉัน ท่านก็จะมาขอจับเนื้อต้องตัวก็จะมาขอพอจับดูแล้วเนื้อเปรียบเทียบดูตัว มันก็เหมือนกับคำหรือพี่น้อง ได้นําท่านมาฝากไว้กับหลวงปู่ 2438 ตรงเดือนห้ามวันจันทร์คืน เป็นพระอุปชาพระวัดบ้านแทนอาจารย์พระอาจารย์อุ่มวัดบ้านแพรเป็นพระ วัดบางนมโคตั้งอยู่ที่บ้านตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางนมโคสันนิษฐานกัน ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยากําลังคนรบ หรือบ้านบางโคต่อมาภายหลังจึงได้ชื่อว่าบางโคต่อมาภายหลังจึงได้ ก็ติดตามพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อสุนด้วยความสนใจใกล้ศึกษาเพราะว่าในสมัยนั้นหลวงพ่อสุนท่าน จะได้เป็นกรูบาอาจารย์ได้เป็นครูการบวดเมื่อบวดแล้วอบรมสั่งคือหนึ่งคนอยากมีลาบได้ดี ตั้งหน้าสะสมทรัพย์ 2 เป็นอย่างต้นแล้วเมื่อทรัพย์หมด 3 อยากมี 4 เมื่อ 5 ได้ 6 ได้รับคำนินทาแล้วก็เดือดร้อน 7 มี 8 เมื่อมีความทุกข์ เงินที่ได้มาที่เหลือกินเหลือใช้มาจงทําสาธารณประโยชน์เสียให้สิ้นเหลือกินเหลือยศถ้าหลีกเลี่ยงไม่ ต้องต้องระลึกเสมอว่าออกให้หมดต้องระลึก ตลอจนคาถาชาติทั้ง 4 คือนัตมะพะทะเดินหน้าถอยหลังพร้อมทั้งส่งแม่กุญแจให้ ให้จิตใจเป็นหนึ่งถ้าจิตมีสมาธิแล้ววิชาสิ่งใดก็เรียนได้หลวงพ่อปานท่านก็มีความอดทนเป็น เป่าพรวดเดียวเท่านั้นกุญแจก็หลุดหลัวออกทันทีจึงทดลองล็อกใหม่แล้วเป่าอีก แก่หลวงพ่อปานยินนักหลังจากหลวงพ่อสุนพอใจแล้วก็เริ่มสอนวิปัสสนาให้ตั้งแต่ขั้นต้น สั่งสอนได้ทุกอย่างหลวง จากวิปัสสนาแล้วหลวงพ่อสุนไม่ทายทอดวิชา ของคนผู้ได้รับความทุกข์เสียรับความทรมานให้หายมามากเท่ามากหลวงพ่อสุนได้กล่าวแก่หลวงพ่อ เป็นช่องว่างแล้วจะมองเห็นโรคได้ชัดโรคที่มันเป็นจริงมันเป็นตรงไหนอาการเป็นอย่างไรปรากฏจากนั้น หลวงพ่อสุนก็ได้ถ่ายทอดวิชากสิณต่างๆให้หลวงพ่อปานจนหมดสิ้นบ้างคือการออก ทําให้วิชาที่ได้ศึกษามาเข้มแข็งขึ้นวิชาที่ได้ศึกษามาเข้มแข็งขึ้น อมนุษย์รองวิชาคือปราจีนบุรีพ่อปานหลวงพ่อปานก็ พระอุตตระสัมมาสัมพุทธิยานระหว่างทางที่หลวงพ่อปานธุดงค์ ที่ใช้หนุ่ม 2 คนเวลาออกทุดงมาถวายแล้วค่อยฉันขาว สมัยนั้นแพงภูมิปลาและข้าวสุกก็ จึงเขียงแต่จะลองวิชาตัวจากนั้นการบอกว่าเพียงแต่ ด้วยวนเดียวกันนั่นเองขณะที่หลวงพ่อฟานกําลัง รอเวลาให้อมนุษย์ทั้ง 2 มาลองวิชากับท่าน ก็หดเล็กลงเล็กลงเล็กลงอามนุษย์ทั้งสองเมื่อเห็นว่าลงท่านก็เอา ขสูนได้แนะนําสํานักเรียนคือวัดเจ้า 7 ในแกหลวงพ่อปานซึ่งการไปเรียน ท่านอาจารย์จีนเป็นคนอารมณ์ร้ายเวลา ที่ท่านอาจารย์สอนจนขึ้นใจใน กับพระอาจารย์เจินท่านยัง ได้ปฏิสนธาซึ่งต่อมาตลอดจนพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมซึ่ง อุปลิสัยท่านมีลักษณะของชายชาตรีหลวงลักษณะสมส่วนปานท่านมีลักษณะของชาย ต้อนว่ากันว่าผู้คนไม่เลือกเศรษฐีผู้ดีไพร่ ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ได้พร้อมใจกัน แต่เนื่องจากท่านได้สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นจากท่านในที่สุดความดีของท่านความเจริญให้กับท้องถิ่นบางนมโค 6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2474 เป็นพระ โดยมีบรรดาศิษย์ญาณุศิษย์และ ก็ยังคงวัดปฏิบัติตามปกติอย่างที่แล้วมามิได้เปลี่ยนแปลงพระนักพัฒนามีบันทึกแสดงไว้อย่างชัดแจ้ง เมื่อวัดของท่านเจริญแล้วท่านก็ ข้อการเริ่มอาพาธเมื่อท่านมีอายุได้ 61 1 ด้วยอาการกระปี้ที่ท่านหายกลับมาเมื่อหลวงพ่อกลับ จะมรณภาพในวัน 14 ค่ําเดือนปลายเวลา 6:00 น. อาตมาจะสังเคราะห์ พระสพัดออกตามที่โอกาสยังเหลืออยู่ผู้คนต่างหลั่งไหลมาจาก 14 ค่ำเดือน 8 ปีขาล 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2481 สิริรวมอายุ 64,000 3 ตาม 3 ปี จานุการหลวงพ่อปานโสนันโทครองเป็นเจ้าอาวาสวัดบางหนอง 2467 ถึง 2480 ถึงแม้ว่า มรดกอันมีค่าคนเมืองได้ 1 พระ 2 ผ้า 3 พระ ประวัติการสร้างพระกล่าวกันว่าในระหว่างที่หลวงพ่อปานพระกล่าวกันว่าในระหว่างที่หลวง ชั้นล่างนำคนนั่งอยู่ข้างบนคนวันหนึ่งมาวางไว้สำหรับการ บอกให้ท่านสร้างพระ ^{(1)} เป็นนกไก่แม้นและปลาพร้อมกับบอก จะถามขอร้องให้ท่านสร้างพระขึ้นมาหญิงบรรดาศิษย์และญาติโยมขอร้องให้ จะอาจารย์แจงชาวสวรรคโลกผู้นี้สันนิฐานกันว่าคงจะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนวิธีสร้างพระไหว้อาจารย์ ไปถ่ายทอดวิชากันในบุกนอกจาก บรรดาผู้มีความรู้ทางช่างต่างก็ เห็นนอกจากนี้บางคนประสงค์ใส่ในเนื้อปรับนอกจากนี้ หาคุณค่าทางศิลปะเพราะเป็นช่างฝีมือชาวบ้านแกะแม่พิมพ์วะยินที่สร้างขึ้นในยุคแรกๆนี้เรียกกันว่าพิมพ์โบราณ เรียกกันว่าพิมพ์นิยมหรือพิมพ์มาตรฐานพิมพ์นิยมหรือพิมพ์มาตรฐานนําออกแจก พระกุฎและแหวนพระแจกให้กับบุคคล และในจํานวนพระหลวงพ่อปานเนื้อดินเผาที่สร้างขึ้นรูปร่างพระหลวงพ่อปาน ส่วนบนมีพระนั่งปางสมาธิอยู่เหนือฐานบัลลังก์ทำเป็นกรีดกัว 2 โอ้อันเป็นยอดพระคาถาหัวใจพระอย 6 อย่างคือหันไก่เมน นกและปลาในลักษณะที่แบกภาสนะแห่งองค์พระปฏิมา ยังแยกก็แยกออกไปอีกหลายบล็อกสรุปแล้วเป็นแบบหลายคืนพิมพ์ 40 กว่าแบบพิมพ์ขึ้นไป ก่อ동การให้แลดูแปลกตากว่าองค์อื่น ด้านบนขององค์พระจะมีผงวิเศษปุด ซึ่งอัตตาชีวประวัติของท่านวะขณาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ยัง บารมีของหลวงพ่อสวัสดี